นะก็เป็นสินที่พวกเรารู้จักกันดีนะก็คือสินห้านั่นเองแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะสิ่งที่จะทำให้เราตกต่ำนะก็คืออบายามุกนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราได้ยินได้ฟังมาไม่น้อยนะถ้าเราเรียนหนังสือตั้งแต่ระดับประถมะมัธยมจนถึงอุดมนะก็ได้ยินได้ฟังกันมาพอสมควร แต่ก็น่าแปลกใจนะว่าทั้งๆที่เรารู้นะแต่บางทีมันห้ามใจไม่ได้ใช่ไหมรู้นะไอ้นานฟุตบอลเนี่ยไม่เคยดีอ่ะแต่มันน่าลุ้นนะมันลุ้นสเปนรออิตารลี่จะชนะอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อคืนเนี้ยนะใช่ไมสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรารู้แต่ว่าใจเราเนี่ยห้ามไม่ได้สซย์เี่ใจเราห้ามไม่ได้เพราะว่า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 ปฐานเนี่ที่ท่านอาจารย์สุรินได้พูดเมื่อสักครู่นี้เป็นสติปฐานที่เกิดจากการพัฒนาหรือบางทีเราชอบเรียกกันว่าเจริญเจริญนะเจริญสติหรือถ้าภาษาพระเรียกว่าภาวนาภาวนาไม่ใช่การบริกรรมอธิษฐานว่าขอให้ได้อย่างนั้นขอให้ได้อย่างนี้แต่คําว่าภาวนาเนี่ยภาษาบาลนะีหมายถึงพัฒนา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 สติฉับไฟขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นสามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดโดยเฉพาะความนึกคิดเนี่ย่าเป็นตัวสร้างเรื่อง่าเป็นตัวปรุงแต่งต่างๆนานา่นาให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกบ้างดีใจมากเกินไปเสียใจมากเกินไปชีวิตก็เลยลุ่มรุ่ ม, ม ด, ดอนดอ นะบางทีก็ชีวิตละหุระเหินอันะนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เพราะนั้นการมาป่าสุกโตเนี่ยนะมีสิ่งเนี้ยที่จะให้เรามาเรียนรู้นะก็คือการพัฒนาสตินะพัฒนาสติสา ม, มัญให้เป็นสติปัฏฐานเป็นสติหรือเป็นความรู้สึกตัวที่รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิด สติปัฏฐานนี้ตามพระสูตรในพระไตรปิฎกนะก็พูดไว้มีอยู่สี่ข้อนะก็คือกายเวทนาจิตธรรมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่วัดนนคงนได้ยินบ่อยๆนะแต่ว่านักศึกษาหรือคราจารย์ที่เพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นกับคำตรงนี้นะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากอะไรนะ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 นาตาที่สามหลวงพ่อคำเขียนใช้คำว่าตาวิเศษถามตาวิเศษมีไหมมีทุกคนนะทุกคนมีแต่ตอนนี้มันไม่ตื่นมันยังหลับอยู่เพราะนั้นเรารู้ความโกรธไม่ดีอบายามุกอะไรไม่ดีเราห้ามใจไม่ได้เพราะเรายังมืดอยู่ตามยังไม่ตื่นยังไม่เห็นโทษจริงๆนะมันก็ยังหลงอยู่ในสิ่งต่างๆเหล่านี้ นะบางทีเราก็ดีใจบ้างเสียใจบ้างสุขบ้างทุกบ้างเป็นชีวิตที่อยู่ในโลกนะมีทุกทุ ก, ทกสุขสุขเบือบ่อเบื่อเส่งเส่นะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราทําไปตามความเคยชินเพราะเราไม่รู้ว่าต้นเหตุที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ในใจเราเนี่ยความทุกข์ความสุขเนี่ยแล้วเราก็ไปแก้มันหาโดยเอาสิ่งภายนอกวัตถุภายนอกมาแก้ไขเราแก้ไขเรื่องจิตโดยใช้วัตถุซึ่งมันก็ไม่ตรง นะตรงนี้มันก็เลยแก้ไขไม่จบไม่สิ้นทันทีแต่เมื่อได้ก็ตามที่เรารู้ว่าปัญหาจริงๆมันเกิดในใจเรากลับมาดูที่ใจเราโดยอาศัยตาที่สามคือความรู้สึกตัวนี่แหละนะเราก็เลยต้องมาพัฒนามาทําความรู้สึกตัวตรงนี้นะมาพัฒนาด้วยการเคลื่อนไหวซึ่งเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆในยุคปัจจุบันนี้นะเพียงแต่ว่าคนที่ไม่คุ้นเคยก็จะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วมันจะเป็นไปได้เหรอ นะปกติเราจะฝึกกันก็จะต้องนั่งหลับตาให้มันนิ่งๆสงบๆนะเชื่อว่าสงบแล้วสติมันจะตื่นตื่นจริงถ้าเราไม่นอนหลับซะก่อนไม่ยังตอนเนี้ยเพื่อนเราคนนึงก็หลับไปแลนะตกผวังไปแล้วนะปลุกเพิ่มนหน่อยก็ดีนะนะตอนนี้นะอันนี้ก็เรียกว่าหลับไหลนะหลับไหลไม่ยอมตื่น น, ะนี่คือ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 สติเนี่ยก็เป็นบ่อเกิดของศีลสมาธิปัญญาหรือบางครั้งเนี่ยได้ยินหลวงพ่ อ, องเขียนวย่าเป็นตัวที่ก่อให้เกิดมรรคในองค์แปดขึ้นมาด้วยนะเพียงแค่ทําสติเตือนสติเรื่องเดียวเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมามากมายเราเคยเรียนธรรมะเนี่ยนะไปอ่านหนังสือเนี่ยนะโพธิ ป, ปททัจจะธรรมสามสิบปดเนี่ยโอ้โหก็จะตัะสลุดได้จะต้องมีธรรมะสามสิบแปดข้อเนี่ยมันอ่านแล้วก็ท้อใจเลยนะ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 นะบางคนแหมหวังเลยนะมาป่าสุกโตทุกเป็นพรนะอรหันต์ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็อาจจะรู้สึกโอ้โหมันสูงเกินไปนะอย่าเป็นเลยนะเอาเอาว่าเราทุกน้อยลงก็เอาแล้วนะเบาใจขึ้นสบายใจขึ้นกลับไปแล้วหัวโล่งขึ้นนะคนที่หัวหนักก็หัวเบาขึ้นมีสติฉับไวพร้อมที่จะใช้กับการกับงานพร้อมที่จะใช้กับการเรียนสามารถที่จะปรับจิตปรับใจของเรานะให้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 นะแล้วก็เรามีความเชื่อว่ามันเป็นไปได้นะแล้วศรัทธาเนี้ยก็จะนําไปสู่การประพฤติธปฏิบัติแล้ประพฤติปฏิบัติเกิดผลแล้วศรัทธาจะยิ่งมั่นคงขึ้นนะเป็นศรัทธาที่ไม่คอนแคลนนะี้เป็นสิ่งทีเ่เราน่าจะได้รับนะจากการมาผ่าสุปรตูก็คิดว่าสิ่งที่ไล่พูดไปนะก็เป็นสเปรหะนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กัแบบทุกท่าน นะที่อยู่ใช้ชีวิตยอยู่ที่วัดป่าสุกตัแห่งนี้นะในท้ายที่สุดนี้ก็ข อ, อ, อใหออ้ความภาคเพียรพยายามของทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันพัฒนาสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยนะให้บังเกิดผลนะก็คือมีความรู้สึกตัวที่ชัดเจนมีความต่อเนื่องนะสามารถที่จะเอาชนะนะ